จ้คุณรองรศรีการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกรูปวองอื่นก็ขอแสดงความยิน ด, ดีกับพวกเราทุกรูปที่ได้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมที่จะเป็นพระธรรมทูตโดยจะเข้ารับ ประกาศนสนาบัติในวันนี้เรื่องที่สองก็ขออนโมทนาขอบคุณที่ทุกท่านได้มีส่วนในการสร้างความสำเร็จให้กับสองงานใหญ่ๆของมหาจุลาก็คืองานประสานปริญญาและก็งานวิสาขบูชาโลกที่ได้ ท่านทั้งหลายมาต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่แม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชโดยเฉพาะในเรื่องของการต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในงานใหญ่สองงานในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่สำคัญมากๆ เพราะว่ามันเป็นการได้รู้ได้เห็นเป็นประสบการณ์ตรงและเราจัดอบรมท่านในช่วงเดือนนี้ตั้งแต่มีนามาถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมให้ท่านทั้งหลายได้เห็นของจรงิงแม้การต้อนรับจะดูเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือท่านจะได้สังเกต กระบวนการขั้นตอนในการทำงานมันไม่ใช่แค่ต้อนรับเพราะหลังจากนั้นท่านก็จะต้องตามดูว่าเขาทำอะไรกันเหมือนกับนักธุรกิจของญี่ปุ่นส่งลูกไปเรียนอเมริกาเรียนจบปริญญาโทแทนที่จะให้มา เป็นผู้จัดการบริษัทเขายัางไม่ให้ทำเขาให้ไปฝึกงานในบริษัทใหญ่ของพ่อมีกี่แผนกให้ไปทำงานทุกแผนกแม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงงานผู้จัดการ เพื่อให้เรียนรู้งานทุกขั้นตอนและให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน <c oughs> เห็นคุณค่าของคนอื่นว่าบริษัทเราอยู่ได้เพราะใครบ้างมิฉะนั้นเนี่ยไอย้ลูกเศรษฐีเนี่ยมันจะไม่ใส่ใจคนญี่ปุ่นเขาฝึกกันขนาดนี้การเป็นธรรมทูตท่านก็ต้องฝึกทุกอย่าง เวลาท่านไปเป็นเจ้าวาดในวัดต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ไปนั่งสอนกรรมฐานอย่างเดียวสอนธรรมะอย่างเดียวทุกเรื่องเพราะว่ามันมีคนจำกัดมาลงที่พระธรรมทูตเขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสมาถึงที่เราคนเดียวเนี่ยบริการได้ทุกอย่างเนื่องจากว่ามีคนจำกัด บางประเทศจำกัดโดยสมาชิกของวัดถ้ามีไม่ถึงเท่านี้โคต้าของพระธรรมทูตก็ได้แค่นี้ในยุโรปจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เมื่อฝึกทุกอย่างให้ท่านทำทุกอย่าง <c oughs> มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในภาคปฏิบัติในชีวิต จ, จริงท่านจะได้สังเกตเรียนรู้ว่ากันว่า โรงเรียนนายร้อยเจปรอที่สองทหารแล้วทหารในประเทศไทยนี่มันมีความสำคัญต่อการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่แค่เป็นทหารอย่างเดียวหลักสูตรของทหารนายร้อยเจอปรอมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเวลามีงานการลาดินเนอร์เลี้ยงแขกสำคัญสำคัญลีลาช เขาไม่ได้ให้ในายทหารที่เรียนเนี่ยไปดีลาดเขาให้ดีลาดตอนจบเท่านั้นแต่ถ้าเป็นงานประจำทั่วไปเขาให้เป็นเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟใช้พวกนักเรียนในร้อยเนี่แหละไปเสิร์ฟตามโต๊ะต่างๆจะได้ดูมารยาทบนโต๊ะ อ, อาหารได้รู้จักว่าใครพิงใครที่มาร่วมงานแล้วเป็นประสบการณ์ตรงด้วย เขาฝึกกันอย่างนี้เลยทหารที่ในร้อยจ้าปรอฉะนั้นที่พวกเรามาไปเรียนรู้ที่อินเดียไปดูงานมาร่วมงานที่นี่เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอย่าไปคิดว่ามันบังคับซึ่งม่ผมพูดตอนท้ายเนี่ยเพื่อประมวลสรุปว่าบทเรียนต่างๆเนี่ยมันสำคัญทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติ ในส่วนของการเรียนรู้ที่ท่านมาเรียนรู้ที่มหาจุฬาลนผมสรุปให้พวกท่านห้าคำว่าเราสร้างมหาจุฬากันมาได้อย่างไรเราทางานระดับโลกอย่างวิสาขบาูช า, าโลกได้อย่างไรทั้งหมดเนี่ยผมพูดที่ไหนที่ไหนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานพระธรรมทูต และงานเผยแผ่ผมใช้ห้าคำคเป็นหลักในการทำงานของผมและทีมงานหนึ่งซึ่งผมอยากให้ท่านไปใช้ในงานของท่านและจะสรุปจากที่ท่านเห็นนี่แหละผมใช้คำเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมนิดหนึ่งและจะอธิบายมันเพราะมันคล้องจอง ก, กันหนึ่งตกปลานอกบ้านสองประสานสิทธิ สมผูกมิตรทั่วราชสี่บริหารปัญญาห้าสาริกาปอนเยือห้าคำห้าวลีตกปลานอกบ้านคืออะไรประสานสิบทิศผูกมิตรทั่วราบริหารปัญญาสาริกาปอนเยือห้าคำห้าวลีเนี่ยทำให้สร้างมหาชุราอย่างที่ท่านเห็นได้ ทำให้จัด ง, งานระดับโลกได้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าท่านเอาไปใช้ในการทำงานเพราธรรมทูตท่านก็จะประสบความสำเร็จเรื่องแรกครับคำว่าตกปลานอกบ้านมันเป็นปริศ น, นาธรรมผมผมมองเหมือนจินตนาการว่าถ้าน้ำท่วมบ้านเรานะ เรานั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ตกปลาใต้ทุนบ้านเอามากินมันจะได้ปลาซิวปลาส้อยปลาตัวเล็กๆบ้านไหนเขาก็มีราคาไม่แพงแต่ถ้าท่านยอมภายเรือออกไปตามทุ่งหรือตามแม่น้ำไปตกปลาท่านจะได้ปลาใหญ่ในการทำงาน ไม่ว่าจะเอางานพระธรรมกรทูดหรืองานใดก็ตามถ้าท่านไปอยู่ที่วัดเอางานมหาจุฬาก่อนก็ได้ถ้าเราเทศเราสอนเราต้อนรับเฉพาะคนที่มามหาจุฬาไม่มีทางที่จะมีวันนี้ผมเข้าทำงานที่มหาจุฬาครั้งแรกเนี่ยเป็นอาจารย์อาจารย์สอนคณะพุทธศาสตร์ เงินเดือนจบปริญญาเอกมาเงินเดือนแปดร้อยบาท800แปดร้ยบาทท่านปริญญาเอกมันไม่แปลกเลยทำไมคนลาออกกันเป็นแถวแถวเาเนีย ส, ะสะมองไหลไม่มีเงินไม่มีปัญญาไม่มีใครคนเก่งที่ไหนเขาไม่อยู่หรอกท่านอมมาทำงานตรงนั้นแล้วพรอมอาจจะต่างจาก ครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่อื่นตรงที่ผมตกป่านออกบา้านคือผมออกไปพูดข้างนอกไม่ได้สอนแต่ในมหาจุฬาเดี๋ยวก็ไปบรรยายที่นั่นไปที่นี่ที่นด่นในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยผมไปพูดหมดส่วนราชาการต่างๆซึ่งรุ่นพี่ๆครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเขาก็ทา เขาก็ทำไปออกไปเทศไปซ้อนบางทีไม่ได้เห็นนะ่ะแต่ผมจะต่างจากคนอื่นผมไปแล้วสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวเป็นแมวมองถ้าผมจะทำงานให้มหาจุฬาผมจะใช้ใครทำอะไรผมไปเหมือนผมไปเอาแรงเขาก่อนผมไม่ได้ไปเพราะกันเทศแต่ไปหาคนคนเก่ง มหาวิเลยไหนมีคนเก่งเรื่องอะไรเนี่ยผมไปหาไว้หมดถ้าอยู่ในมหาจุฬาให้เขามาที่วัดมหาธาตุจ้างเขาก็ไม่มาท่านมีอาคารอยู่หลังเดียวมันไม่มีศักดิ์ศรีคนเก่งเขาไม่มาผมก็ออกไปไปแล้วพอผมจะทำงานใหญ่ๆคนที่ผมไปช่วยเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยจะมาช่วยผม คนเก่งเรานั้นคือปราไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นเงินซึ่งผมเสียดายว่าพวกเรานี้ไปช่วยกันเยอะในมหาจุฬาแต่ไปแล้วไปหายไม่ไม่เอามาช่วยสถาบันตัวเองไม่เอามาช่วยวัดที่ตัวเองอยู่ผมเป็นเจ้าวาวัดไปอยูเนี่ยผมไปเทศที่ไหนเพราะมาช่วยวัดหมดแม้แต่ทุนมหาศาลก็ามา สร้างมหาจุฬาก็โดยวิธีเนี้ถ้าผมไม่ไปเทศไปสอนไปอะไรผมไม่ใช้กิจเ ก, เกจิอาจารย์เนี่ยเวลาบอกบอกบอกบุญเนี่ยใครเขาจะมาทำบุญนะ <c oughs> คือส่วนใหญ่ไปแบบไม่มีเป้าหมายมีตัวเลือกเยอะแยะผมเนี่ยมีกิจนิมนต์มากมายท่านสึว่าสิบงานผมจะเลือกว่าผมจะไปงานไหน <c oughs> เพื่ออะไรเราจะขาดด้านไหน จะไปอย่างนั้นผมพูดสรุปง่ายๆว่าถ้าผมจะทำเรื่องแผนผมก็มีคนที่ทำแผน5ปีระยะแรกเพราะผมไปพูดที่มหาวิทยาลัยเขาเขาก็มาช่วยพอจะทำพระไตไปิดกทำางานใหญ่ๆวิชาการหลักสูตรมันก็จะมีคนเหล่านี้ที่ผมไปเอาแรงไว้ตามคณะต่างๆผมเปิดปริญญาโทรครั้งแรกเนี่ยสาขามสนา สาขาปรัชญาโดยเพราะในปรัชญานี่มัญหาอาจารย์เก่งๆยากแต่ว่าอาจารย์เก่งๆเงนี่ยมาช่วยหมดช่วยสอนเพราะผมก็ไปสอนให้เขาเห็นไหมเขาไม่ได้มาเพราะสถาบันเราเพราะมันไม่รับรองปริญญาโทสมัยนั้นแต่มาเพราะเพ่งใจคณะบดีตอนนั้นผมเป็นคณะบดีนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าตกปรั่งน อ, อกมาทีนี้ต่อมาผมไปทํางาน มาสูงขึ้นสูงขึ้นผมตจำไปต่างประเทศก็แบบเดียวกันทําไมทั่วโลกเนี่ยมาจัดประชุมมาร่วมประชุมกับเราพระพรหมบดิตไปพูดให้เขากี่รอบแล้วท่านท่านอาจจะไม่รู้แต่ละรูปมหาไายกะอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไปพูดไปบรรยายแม้กระทั่งประบุษสงจีนเนี่ยจีนแผน่นดินใหญ่เนี่ยผมไปเทศที่วัดท่านไม่รู้กี่รอบแล้วพวกท่านไม่รู้หรอ ระบบเอาแรงกันนีแหละทำไมวัดวัดประยูนในเวลาจัดงานเนี่ยบาดหลวงก็มาอิหมั่ก็มาขึ้นเวทีอภิปรายเพราะว่าผมไปพูดไปประชุมที่สำนักงานใหญ่เขาอย่างที่บางรักอสมชันเนี่ยเป็นที่ทำงานของคริสเขามีงานผมก็ไปให้ วาติการผมก็ไปมาหาเรียวาคมส่งไปทีนี้ผมจะเอาคืนบ้างเขาก็มาท่านหมูไปไก่มามันไม่ใช่บังเอิญ น, นายกภูฏานทำไมมามาเป็นขีน n o ปี s p e a k e รัฐบาลเชิญถึงจะมานะปกติม า, าวิไยแก่นี้ไม่มาหรอกท่าน ผมไปพูดที่ภูตาเนี่ยสองครั้งกว่าจะได้มาเนี่ยไปพูดการประชุมนานาชาติเรื่อง G.N.H ในครั้งที่สองได้กระสัจิกมี้มาเปิดประชุมไทยรุกร่วมกันอะไรร่วมกันรู้จักกันนายกนี่ผมก็คุยกันเพราะผมขึ้นปา่ตาตะกถานี่ ปาฐาาาแล้วเขาประทับใจอ่ะมันก็คุยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนประสาน ง, งานเนี่ยผมก็ยังติดต่อเดินทางมาเยี่ยมผมไม่รู้กี่คนเอานิสิตมาฝากเรียนครับผมหาทุนให้เรียนคนคนประสาน ง, งานที่มาเรียกว่าประสานกับนายกเนี่ยเขาสร้างเจดี เจดีย์ใหญ่เลยในพูตานไม่มีตังผอมหาเงินสร้างให้ท่านรู้ไหมกว่าจะได้มานี่ผมลงทุนไปเท่าไหร่อะเสียตังด้วยแต่ผมไม่ได้คิดหรอกว่านายกจะมาผมไม่ได้คิดผมก็ทำไปคือมันเป็นลักษณะที่ผมทำงานอย่างนี้ ผมไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งท่านจะมาตอบแทนผมไม่ได้คิดถึงนายกที่จะมาจนกระทั่งที่ประชุมใหญ่เขาบอกว่าทําไมไม่เชิญนายกประเทศไหนมาบ้างเขาก็เลยนึกถึงภูฏานแค่นั้นแหละครับแล้วผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวผมเอาคณะมหาจุฬาไปด้วยเรื่องงานต่างประเทศสมัยต้นๆเนี่ยผมเอาลองต่างประเทศเนี่ยไปกี่รอบท่านให้ท่านไปรู้ไปเห็นไปฝึกเอารุ่นอื่นๆตามไป นี่คือสิ่งที่ทำเรียกว่าตกปลาน อ, อกบ้านภาษาอังกฤษท่านไปเปิดเขาก็มีคำนี้เขาเรียกว่าเอาซาวซิงเอาซาวซิงนไม่มีใครทำงานสำเร็จโดยอาศัยคนข้างในหรอกเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคนเก่งอยู่ที่ไหน ไปหามาผมก็นึกว่าผมทำคนเดียวปรากฏว่า บ, บริษัทซีีนะท่านธนินเจริญตรนนทรวยที่สุดในประเทศไทยคุยให้ผมฟังมันยิ่งยืนยันใหญ่ท่านธนินบอกว่าบริษัทของท่านถือพาสิตว่าคนเก่งทั่วโลกเป็นของซีพี สินค้าทั่วโลกเป็นของซีพคำว่าคนเก่งคือยังไงไม่ว่าคนเก่งอยู่ที่ไหนถ้ามันเป็นสาขาที่ c ีพขาดแคลนเนี่ยเขาซื้อตัวเลยครับอย่างกับสโมสส์ฟุตบอลอะเอามาทำงานผมคุ้นกับประธานซ e อของ7ซเว่นอ คุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์รู้จักกันมายี่สิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะคุยกันหลายเรื่องผมรู้จักตั้งแต่เซเวเนเนี่ยยักขาดทุนเลยแล้วทำยังไงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีสาขาเป็นหมื่นสาขาและคุณก่อศักดิ์คุยให้ผมฟังว่าตอนนี้รายได้ต่อปีของเขาเนี่ เรียกว่าในตลาดพุ้นในรายต่างเนี่ยเป็นรองก็แต่ปตทเท่านั้นผลรายได้ทั่วประเทศมื่นกว่าสาขา7ซเเเสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งอยู่ที่ปุ่ปุ่นสาขามากส่วนอันดับสองของโลกอยู่ที่ประเทศไทยเขาเป็นแค่กรรมการกลางของซีพี แต่คนอื่นมาเริ่มบริหาร7ซเว v e n ีเเเนี่ยขาดทุนกำลังจะเลิกเขาก็เลยส่งกรรมการกลางท่านหนึ่งมาเป็นซ e o โอมาเป็นผูู้้ดูแลก็คือคุณก่อศักดิ์คุณก่อศักดิ์ไปจัด ก, การบริหารเนี่ยจากจะเจ๊งแหลไม่เจ๊งแหลจนกระทั่งเป็นทุกวันเนี้ด้วยเหตุผลอะไรยังไงผมไม่รับเราะมันมีผลทางเศรษฐกิจเขา คุยกันหลังใหม่ได้นี่ทีนี้ผมก็เลยถามต่อแล้วมาทำงานเซเว่นเ อ, เอทำงาน c ีีได้อย่างไร <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เรียนเก่งซีพีมีแมวมองถ้าไทเก่งตรงไหนอย่างไรให้ทุน เรียนจบแล้วมาให้มาทำงานแล้วคนเก่งมันไต่เต้าขึ้นอย่างที่แค่คนคนเดียวเนี่ยเปลี่ยน7ซเวเวนที่จะขาดทุนร่ลลลและร่อแร่เนี่ยมาเป็นอย่างที่เราเห็นนี่คือตัวอย่างว่าคนเก่งทั่วโลกเป็นของซีพีหาให้เจอ สินค้าทุกชนิดเป็นของ c ีพีคุณธนินอธิบายว่าสินค้าอะไรที่ขายดีในโลกนี้ถ้าประเทศอื่นบริษัทอื่นผลิตได้ดีอย่าไปแข่งเขามันสู้เขาไม่ได้เราเอามาเป็นสินค้าเข้าของเราส่งออกขายแต่ที่เราทำได้ดีกว่าเราทำ งานพระธรรมทูตก็คล้ายๆกันเมื่อหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงพาท่านโซเมโทไปอังกฤษโดยคำบรรณาของพุทธสมาคมที่นั่นมีวัดอยู่สิ่งหนึ่งที่ท่านโซเมโทไปถึงใหม่ๆถามหลวงพ่อชาว่าควรจะออกบินธบาตหรือไม่ เพราะอยู่ที่วัดหนองบัวพงต้องบินธบัตไปอยู่ที่อังกฤษควรจะบินธบาตหรือไม่หลวงพ่อชาก็บอกควรบินธบาต ท, ท่านโซเมโทนก็บอกว่าบินก็ไม่มีใครใส่บาทแล้วไปทำไมหลวงพ่อชาก็บอกว่าบินเอาคนไม่ใช่บินเอาอข้าวไปออกตกปลานอกบ้านให้คนเห็นพระเป็นทัศนานุติริยะ แล้วได้คนมาวัดไงเขาจะได้รู้มีพระอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะท่านออกบิธาบาทโดยไม่มีใครใส่บาทเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนมอร์นิ่งวอลก็จะเจอฝรั่งคนหนึ่งวิ่งออกกำลังจ็อกกิ้งตอนเช้าสวนไปสวนมาจนฮัลโหลใส่กันคุยกันตามมาที่วัด เขานับถือาศาสนาคริสต์เขาเห็นวิถีชีวิตที่อยู่วัดเล็กๆเขาก็เลยเชื่อมั่นบอกผมมีที่ดินนะเป็นป่าเป็นสวนเป็นป่าอย่กลัวไม่กลัวว่าไม่มีใครรักษาทำลายป่าของเขาเขาจะถวายให้พระสร้างวัด แล้วก็พากันไปดูอู้เป็นป่าจริงๆยกถวายพระที่ตัวเองไม่ได้นับถือศาสนาแต่เพราะเห็นว่าอนุรักษ์ป่ามันก็เลยเกิดวัดป่าแห่งแรกของสายท่านสุมเมโทโดยการบินทบัดเอาคนนี่คือตกปลานอกบ้านท่านท่านมุดหัวอยู่แต่ในวัด ไม่ต้องอธิบายครับถ้าผมก็สอนอยู่แต่ในมหาจุฬาไม่มีห้องประชุมไห่ท่านอย่างนี้หรอเรียนกันใต้ต้นไม้กว่าจะได้งบสมัยโน้นต้องไปชี้แจงในสภาพภัดเนี่ยอาคารอาคารเรียนรวมเนี่ย ของงบรัฐบาลรัฐบาลไม่ให้กระทรวงก็ไม่ให้ต้องให้สภาพัดเห็นชอบก่อนสมัยนุ่นยากประตลี่แล้วในสภาพัดน่ะท่านคน4ี่สิบห้าสิคนจอมยุทธทั้งนั้นเลยผมไปชี้แจงนะท่านโดนซักฟอกในสภาพัดอ่ะผ่านสภาพัดให้ได้แล้วคลรมอถึงจะมีมติให้งบประมาณเพราะในยุคนั้นมันเป็นยุค IMF ม เขาไม่ให้งบก่อสร้างจะสร้างอะไรต้องสภาพัฒนาการสิทธีและสังคมแห่งชาติอะนูมัติเท่านะั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีเนี่ยอาคารเรียเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยผมไปนั่งในชี้แจงในสภาตอนนั้นเป็นไข่หรือไม่สบายท่านมึนไม่หมดเขาซักผมนหลายเรื่องผมก็ตอบแต่ผมจำได้แต่ที่ที่จำได้อันหนึ่งคือ เขาปฏิเสธแบบนิ่มนวลบอกท่านท่านมีที่แค่แปดสิบสี่ไร่ตอนนั้นเน่ยเรามีแปดสิบสี่ไร่มหาวิเลยถึงสร้างไปมันก็เล็กเกินให้ไปมันก็ทำอะไรไม่ได้งบประมาณรอให้ท่านหาที่ให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนค่อยมาของบประมาณปฏิเสธแบบนิ่มนวลอะ ผมก็บอกว่าเพราะมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยยังแม่ฟ้าหลวงเป็นพันไรใช่ไหมที่สร้างใหม่สมัยนั้นของเราร้อยไรก็ยังไม่ถึงผมตอบว่าไงผมตอบกรรมการว่ามหาวิทยาลัยชาวบ้านเนี่ยต้องการที่เยอะเพราะว่ามันต้องมีสนามกีฬาตอนนั้นธรรมศาสตร์อะ ล้งสิ่ึกสนามกีฬาเยอะโยมจะให้พระเล่นกีฬาตรงไหนอะ่ะแล้วพระมหาจุฬาเนี่ยเล่นกีฬาคือฌานนักกีฬาใช่ไหมกีรติอ่ะกีรังกิรติเล่นกีฬ า, า, า, า, า, าคือนั่งสมาธิเราไปนั่งในป่าโยมเขาไม่มาไว้กันตรงนี้หรอกต้องมีที่สงบสงัดเรามีมหาจุฬาสมตรงนี้แค่เป็นเฮดแคอเตอร์เป็นสำนักงานใหญ่เรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศแล้ว 84ไร่บรร ล, ลุวัตถุประสงค์ให้เลยทานเออแต่อย่าเนึกว่าเขาให้ง่ายนะไอ้ที่นั่งนั่งอยู่ก็นเนี่ยเนยผมรู้จักทางนั้นเลยทนะ่านผมเป็นเทศสอนมาแล้วท่านนั้นตอนนี้ผมจะเอามาถ้าลำพังเป็นอธิการบดีธรรมดาจา้างเขาก็ไม่ให้เหราท่านมันพวกกันท่านอย่าไปบอกใครนะ ทำเป็นถามกันไปอย่างนั้นแหละเหมือนพวกเทศสองธรรมารนะั่นละไล่กันไปเดี๋ยวก็ลงมปใช่กาแฟด้วยกัน <c oughs> เออเนี่ยตกปลาออกบาต2สองประสานสิบทิศคาว่าประสานสิบทิศเนี่ยคืออะไรเวลาที่ท่านทำงานเนี่ย ท่านจะต้องมีต้องมีความรเริ่มท่านไม่ว่าจะเป็นพระธรรมทูธเป็นอะไรก็ตามท่านจะต้องมีโปรเจกต์มีโครงการว่าจะทำอะไรมิฉะนั้นการประสานสิบทิศไม่มีประโยชน์ท่านจะประสานไปอะไรตอบว่าประสานเพื่อทำงานโครงการหนึ่งที่ท่านเริ่มให้สำเร็จเรามีเป้าหมาย เมื่อท่านมีเป้าหมายอยู่ในมือการประสานเพื่อให้สัมฤทธิ์มันจึงเกิดแต่ส่วนใหญ่เราจะประสานเพื่อเอาตัวเอาเข้าตัวเองเช่นในวัดเราประสานสิบทิศเพื่อสร้างอาคารเรียนเพื่อทำอะไรเข้ามหาจุฬา แต่ในทัศนะผมเนี่ยก่อนที่ท่านจะทำให้วัดตัวเองให้มหาวิทยาลัยเองท่านต้องประสานทำให้คนอื่นก่อนมันเป็นวิธีเขาเรียกว่าสร้างมิตรเมตรีถ้าเราคิดว่าเราทำโปรเจกต์ให้สำเร็จเพื่อตัวเราประสานมันก็ไม่ค่อยได้หรอกครับ ผมไปสร้างอาคาร60ปีพระพรหมบดิตบนดอยที่เชียงใหม่ใช้เวลา3ปีใช้งบ6ล้านบาทมันต้องประสานทุกฝ่ายเพื่อทั้งญาติโยมจาก ท, ท, ที่ที่ที่ราบเอาเงินขึ้นไปไปสร้างศูนย์พระบดิตพัฒนาชาวเขา ประสารกับวิยาเขตเชียงใหม่ว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ต้องคุมในการก่อสร้างผมไม่ไปให้วัดส่งไปที่วิยเขตวิยเขตต้องทำโปรเจกต์เบิกเงินอะไรตรวจงานไม่งั้นเงินไม่ไปวิยาเขตก็ทำงานให้ผมวัดก็ทำงานให้ผมอยอดโยมกับบริจาคแต่ถามว่าเพื่อผมสักประโยชน์ผมหรือเปล่าเปล่าเลยท่านทาเสร็จแล้วผมก็ไม่ไปยุ่งถวายไปเลย ไม่ไดเอามาโฆษณาว่ะเออไปทำอะไรที่ไหนด้วยโดยวิธีนี้เนี่ยท่านเราประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยใครก็ร่วมมือแต่ถ้าท่านประสานเพื่อให้ได้อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีการเกี่ยงท่านผมจัดงานมีสาขาบูชาโลกประสานทั่วโลกเนี่ยไม่ได้คิดให้มหาจุฬาได้ฝ่ายเดียว ถ้าเราทำเพื่อมหาจุฬานะโดยที่ฝ่ายอื่นไม่ไดนะ้จ้างเขาก็ไม่มาท่านเขาต้องได้ผมเรียกว่าวินวินซิจิเอชันเราจัดงานมาสิบห้าปีเนี่ยไม่ได้คิดว่าเบิกเงินรับมาแล้วมาเหลือให้มหาจุฬาเลยครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งเงินปีหนึ่งหลายสิบล้านนะครับที่เรามาจัด ไม่ได้มาว่าเออเหลือให้มหาจุลากี่เปอร์เซ็นต์ผมให้มาจัดงานเพื่อคนทั่วโลกแล้วยังเรียอะไรบริจาคอีกหลายล้านเพื่อคนเหล่านี้พอเราทำด้วยความที่ใจที่กว้างอย่างนี้ท่านเราจะใช้ใครทำอะไรนี่มันง่ายทั่วโลก ซึ่งมันหายากส่วนว่าจะทำเพื่อตัวเองเพื่อองค์กรของตัวเองแต่ถ้าท่านทำอย่างนั้นทำได้ไม่นานหรอกท่านท่านก็เห็นเนี่ยมหานนยกะภาสังคาราชใ ค, ใ ค, ใคโตไคทวโกทมายมาเพราะมหาจุฬาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยมีแต่ให้แต่ในขณะที่ให้เนี่ยเราก็ได้ผลงานถูกไหม แม้กระทั่งหนังสือพระใจปดีดกษากลเน่ที่อื่นเคยคิดทําแต่ไม่มีใครร่วมมือประเทศอื่นรวยกว่าเราอีกไต้หวันเนี่ยมีเงินพร้อมมีอะไรพร้อมแต่เขาไม่ไว้วางใจผู้ทําว่าจะเอาไปหาผลประโยชน์ไปอะไรยังไงเหมือนได้หนังสือมาเอาไปขายกินฝ่ายเดียวแต่มหาจจุลา พิมพ์หนังสือมาเป็นภาษาอังก CBT เนี่ยเขาเปิดบเท็ตั้งแต่เริ่มทำเขายอมมาเหนื่อยกับเราเพราะเขาไม่คิดว่าเรามีนอกมีไหนเราจะไปขายกินเข้ามาหาจุลาแล้วตอนวิสาขาเนี่ยเราพิมพ์แปลแฉบับภาษาไทยออกมาประเทศเด่มๆก็ขอแปลเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา กำหนดเงื่อนไขว่าประเทศไหนจะขอแปลยังไงอะไรเงี้ยนะสิ่งที่กรรมการนานาชาติถามผมถ้าประเทศอื่นจะเอาไปพิมพ์เผยแพร่เนี่เราห่วงไหมภาษาอังกฤษเ่สมมุติแบบแปลเป็นภาษาจีนเขาจะภาษาอังกฤษหน้าภาษาจีนหน้าอย่างเนี้ยมันไปลดรายได้ฉบับภาษาอังกฤษของเรา เ, เราห่วงหมแล้วแบบ n o p r o f i ไม่ได้หวังผลกําไรใครทําเพื่อเผยแพร่แต่จะต้องเราควบคุมความถูกต้องทางวิชาการเท่านั้นต้องตรวจพอจะให้เพียมต้องตรวจอะไรความถูกต้องแปลถูกต้องไหมเราขอแค่นั้นแต่ไม่ใช่ให่เพื่อประโยชน์ทางการค้าพอเราประกาศไปแค่นี้เนี่ยเพื่อเผยแพร่ท่านมาลงนามเซ็นสัญญากับเราเนี่ยแปดภาษาเลยตอนนี้ปีเนียในปีหน้าเนี่ยแปภาษาจบมา ภาษาจีนภาษาเวียดนามที่ไหนอยู่ในไอ้ปฏิญญากรุงเทพอ น, น่ท่านลองคิดว่านโยบายอย่างนี้เนี่ยมันใช้ได้กับระดับโลกระดับมหาวิทยาลัยแล้วทำไมถ้าท่านไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ต่ว่ามันจะทำไม่ได้ประสานสิบทิศคือเชื่อมมาทาประโยชน์แต่ อยาคิดแต่ประโยชน์ของวัดเราองค์กรเราเท่านั้นเขาต้องได้ด้วยส่วนรวมต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเรื่องอะไรก็ตามเช่นการต้อนรับเราไม่ดีที่พักไม่ดีผมถือเป็นเรื่องสำคัญคอมเพลนมาผมก็จะไล่บี้กับพวกเจ้าหน้าที่เราทันที ผมยังเสียใจไม่หายเลยที่โปรเฟสเซอร์จากฮาวายอ่ะน่าจะเป็นผมไม่เอ่ยช่อยด่วเรามีทีมต้อนรับท่านบินมามาปตาตกถาแต่เจ้าหน้าที่เราปล่อยให้ท่านหาฝ่ายต้อนรับที่สนามบินหารถหาอะไรเองไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงพูดง่ายคือไม่สนใจเลยทั้งทั้งที่เป็นวี p อพของเรา เพราะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยพอมาจากฮาวายก็นึกว่าเป็นฝรั่งไงพอเห็นเป็นแขกรั ง, งกานะหมดอารมณ์ท่านไม่ใส่ใจเขาหารู้ไหมว่าเขาเป็นคนสำคัญผมต้องขอโทษขอโพยทิ้งทิ้งคำว่า ง, งนะั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเรามหานายกาของศรีรังกาเราจัดที่นั่ง ไม่ถูกไปนั่งหลังอนุนายกามันหลายนิ่ขกายท่านออกจากวัดพระแก้วกลับไปเลยผมต้องตามไปขอโทษถึงศีรษะท่านผมไม่สามารถที่จะดูแลได้ตัวถึงเราประสานประโยชน์ไม่ใช่เพื่อเราเองทุกฝ่ายต้องได้ มันถึงได้จัดมาได้ขนาดนี้ถ้าเพราะผมพูดตรงนี้ได้เพราะท่านมาเห็นเนี่ยและท่านจะเห็นจากเพราะหน้าฉากแต่หลังฉากนี่ลำบากลำบนขนาดไหนมันไม่ใช่เสือนอนกินไทเกอร์สลิปอีสเหรอท่านอย่าไปคิดว่าความสำเร็จมันมาง่ายได้ผมเก่งสำหรับเหนื่อยแล้วไม่ว่ า, าน นี่คือคำว่าประสานสิบทิศนะท่านต้องประสานเพื่อทำงานที่มันได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะของพุทธของวัดเพราะเราไปเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ในประเทศเขาอ่ะจัดงานวิสาขาท่านอย่าไปคิดแต่ว่าเอาเถรวาทท่านต้องเอามาหายานวัชรยานมาร่วมกันจัดกับท่านด้วยท่านจัดการศึกษาในอินเดียก็อย่าเอาแต่พวกเราต้องเป็นประโยชน์ของให้เขาด้วย อย่างนี้ด้วยประสานเนี่ยเพื่อทำประโยชน์ประสานสิบทิศพูกมิดทั่วล่าอันนี้ไม่ใช่ทำประโยชน์แต่อย่าไปทะเลาะ ก, กับใครมีงานก็เชิญเข้ามาไปเยี่ยมไปยามกันทำความรู้จักเพราะเวลาไปสร้างวัดในต่างประเทศมันมี Public h เค r i n g ในบริเวณที่ดินของท่านเนี่ย ถ้าท่านจะสร้างอาคารขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเป็นโบสถ์เป็นอะไรก็ตาม mm hmm. เขาจะต้องชุมประชุมคนในรอบๆเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยว่าเห็นด้วยหรือคัดค้านคัดค้า น, น, นสักหลังสองหลังก็สร้างไม่ได้ทําประชาวิจารณ์แล้วถ้าเราไปอยู่แบบไม่รู้จักกันเลยเหมือนอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยวัดกับคนรอบวัดเนี่ยไม่เคยคบกับรมีตรด่า ก, กันน่ะ ไอ้คนข้างวัดไปใส่บาตรวัดอื่น อ, อย่างนี้ไอ้คนคนวัดอื่นวัดเราเนี่ยนะเอายมวัดอื่นมาไอ้คนข้างวัดไม่ทำนี่เพราะไม่ไม่ผูกมิตรในอเมริกาท่านในยุโรปถ้าท่านไม่รู้จักคนรอบรอบๆเนี่ยสร้างอะไรไม่ได้เลย เขาจะถามาที่จอดรถมีไหมมันเป็นโซนอะไรโซนที่อยู่อาศัยหรืออะไรแต่ถ้าคนข้างบ้านบอกสร้างได้เนี่ยมันสร้างได้แล้วเขายินดีให้ที่จอดรถแถวนี้ได้เนี่ยจบเลยผูกมิตรแม้จะเป็นศาสนาอื่นจะด้วยวิธีไหนทั้งก็แล้วแต่ ที่ผมเป็นเจ้าวาดวัดไปยูนเนอรรอบๆของผมนี่มีโบสถค์คริสต์ห่างไปสองร้อยเมตรโรงเรียนใหญ่ด้วยสังตะครุะคอนแวนทัดออกไปเนี่ยมีมัสยิดบางหลวงติดกับว่ารุ่น อ, อยู่กันมาไม่เคยสนใจกันเลยท่านไม่เคยไม่รู้จะคบกันยังไงแอกใส่กัน นี่ก็เจ้าวาดนู่น ก, ก็อธิการนู่น ก, ก็อะไรไอไออิมังไม่รู้จักกันด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยไปมาหาสุกเวลามีบาดหลวงทั่วโลกมาศึกษางานที่มัสยิดไอไม่ใช่โบสถ์ซานตครูส อยากจะดูวัดประยุรก็โทรมาที่ประชาสัมพันธ์วัดประยุรวัดประยูรก็ส่งคนไปต้อนรับมาพาชมชมวัดพอพวกเด็กภาคใต้คลุมหน้าเนี่ยมาศึกษาดูงานที่มัสยิดบางหลวงเนี่ยก็เรียกกูดีขาวอยากจะไปชมวัดเขาไม่เลือกวัดอื่นหรอกท่านมาวัดประยูรเขาก็ให้พระต้อนรับพวกคลุมหน้านี่แหละถ่ายรูปกัน พอจัดเองาลอยกระทงสามวันประกวดอาหารพุทธอาหารคริสอาหารอิสลามมีเชฟจากโรงแรมมาเขาก็มาประกวดกันอาหารอิสลามก็เชียร์กันวันหนึ่งวันไม่ประกวดวันเดียวกันเดี๋ยวมันตีกันเดี๋ยวพุทธชนะแล้วปัญหาก็เสียข้างมากแยกกันเลยท่านประกวดอาหารคนละวันละวัน เคอมาทำข่าวท่านไม่เคยพบเคยเห็นชุมชนข้างๆวัดเนี่ยเข้ามามาจากงานเร า, เราเรียกชุมชนที่รวมกันทำงานนี้ว่าย่านกระดีจีนมันมีหกชุมชนท่านชุมชนพุทธคริสต์伊斯兰สามศาสนา แล้วเป็นที่ดูงานทุกอย่ น, นี้เนี่ยรองนายยงตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ตอนเป็นรองนายยงไปเห็นการแสดงนิทรศการของโบสถ์สันต์ครู ท, รที่วัฒ น, ธ, ธ, นธรรมสภาไอวัฒนธรรมเขาเอารูปไปเนปีน่ยปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องแต่โบสถ์คริสต์เอาลูปวัดทดี่รวมกิจกรรมกับวัดด้วยไปแสดงนิทศการเขาก็เลยถามว่าเออทําไมคริสต์พูดถึงวัดพุทธเขาก็บอกนี่มันเกิดขึ้นจริงที่วัด แถวัดปยูนอะไรรองนายกก็เลยลงมามาดูให้เห็นกับตาคือเราได้ใจของเพื่อนบ้านเราไปพูดถึงเราอันนี้ผมเรียกว่าผูกมิตรทัวร่ารายละเอียดยังไงไม่มีเวลาเล่าละเอาผลก็แล้วกันโม้แค่นี้ว่าทำแล้วทำอะไ ร, ะไรบ้าง เบื้องหลังการไท้ทำมันลำบากอย่างบนไงไม่เล่าเพราะไม่มีเวลาตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิตรทั่วร่าอันที่สี่บริหารปัญญาเรื่องนี้สำคัญมากท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศไม่มีใครเก่งทุกเรื่องจำไว้เลยครับท่านอาจจะเทศเก่ง แต่ได้ภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษอาจจเทศภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แต่สอนกรรมฐานไม่ได้อาจจเทศไม่ได้แต่เป็นช่างซ่อมได้อะไรได้เห็นไห ม, มพวกเราเองนี่ยังเก่งไม่ไม่ทุกเรื่องเลยเราทำในสิ่งที่เราเก่ง แล้วสิ่งที่เราไม่เก่งเราอย่าไปทำมั่วๆท่านมันจะทาให้เสียสอนกรรมฐ า, านไม่เรื่องยังจะไปสอนเทศไม่ได้เรื่องยังจะไปเทศคนมันจะเบือ่อภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แล้วยังจะไปกันท่าไม้คนอื่นเทศ <c oughs> การที่เราไม่เก่งเรื่องไหนเราใช้คนปัญญาของคนเก่งมาทำงานเนี่ย เราเรียกว่าบริหารปัญญาบริหารคือทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่นอาศัยปัญญาคนอื่นเล่าปีเก่งตั้งเม่อไรครับรบทัพจับศึกแพ้ตลอดอาศัยมันสมองของเบ้งเนี่ยคือบริหารปัญญามหาจุฬาเนีนะครับสร้างเป็นตั้ือไหร่พวกเราเนี่ยอย่างมากก็แค่นั่นแหละอย่างที่เรียนนั่นแหละแต่จะสร้างตึกขนาดนี้เราต้องสถาปนิก ต้องวิศวะต้องมืออาชีพใช้ปัญญาเขาผมเป็นเจ้าวาดซ่อมโบนวัดประยูนไม่เป็นระพับแต่ผมฝ่ายออกแบบผมมาจากสถาปัตย์ราช ก, กบงังฝ่ายควบคุมนี่ตั้งกรรมาการจากกรมศิลป์จากหลายๆฝ่ายม า, มาสร้างบาตรฐา กรมสินคุมเข้มแกนกลางเจดีเนี่ยลื้อก็ไม่ได้ต้องใช้แม่แรงโลกแไม่เคยทำจะทำได้ไหมสารพัดสารพันรอกันเป็นปีกว่าจะทำแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ทำออกมาแล้วครับได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งยูเนสโกรางวัลที่หนึ่งนัอวอร์ดอเ็กเซนตายูเนสโกเลย วัดทั่วประเทศอนุรักษ์และซ่อมกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไรเคยได้รางวัลยูเนสโกก่อนหน้าผมเนี่ย8รางวัลได้รางวัลที่สี่กับรางวัลชมเชยเท่านั้นรางวัลอัดับสองก็ยังไม่เคยได้ผมก็นึกว่าผมเอาได้ที่สองก็ยังดีจ้ะเขาให้ที่หนึ่งในเอเชียแปซิฟิกห้ประเทศเนี่ยทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นประเทศอื่นได้อันดับ 2. อันดับสองอันดับหนึ่งให้วัดเจดีย์รัประยุทธ์แห่งเดียว เพราะกรรมการใจแห่มาดูหมดเลยผมก็นึกว่าหูทำไมแค่เจดีนั้นทำไมต้องบินกันมาอ๋อมารู้ทีไหนเขาก็จะให้ที่หนึง่งถ้าเสนอแล้วเขาไม่มาดูเนี่ยอย่าไปคิดหวังเลยท่านมาดูวัอดอรุณยังไง ล, ลิ้มแม่น้ำนั่นน่ ะ, ะจะไปหัวรเราะสิ แค่เอาตัวรอดไม่ให้ถูกด่าก็บุญแล้วหนึ่เพราะว่าอาศัยหลายหลยฝ่ายคือบริหารปัญญาไม่ได้ทําผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญเลยแต่เอาคนเอตทัตคัดในแต่ะในด้านเนี้ยมาทํานี่คือตัวอย่างอนี่ท่านสังเกตไหมงานประชุมระดับโลกไม่ว่าจะอภิปรายจะอะไรต่างๆผมไม่ต้องแสดงเองเลยเอาคนเก่งๆแต่ละด้านเนี่ยขึ้น เป็นมเดูเรเตอร์มากำกับมาคุมแถลงการปฏิญญาเป็นภาษาอังกฤษเท่าเราไปอ่านเขียนอย่างดีเลยไม่ได้เอาอาจารย์มหาจุฬาเขียนอะอเอาคนเก่งๆมาล่างมาเขียนเห็นไหมมันก็พอเราเรารู้จักใช้คนเก่งมันก็ใช้ปัญญาคนอื่นอีกเรื่องหนึ่งครับเราไม่มีบารมีพอที่ใช้คนเอง แต่มันมีวิธีหนึ่งก็คือท่านจะทำอะไรก็ต่าสมว่าจะซ่อมอะไรก็ต่าไปเปิดปรึกษาศาสตราจากโปรเฟสเซอร์กูเกิลมันเนธแม้แต่จะปรุงอาหารให้อร่อยอะ่ะไปเปิดดูวิธีทำนั่นแหละคือใช้ปัญญาพวกโปรเฟสเซอร์เหล่านั้นจะเทศทั้งเรื่องหนึ่งนะท่านอย่าไปโอมซุมสี่มห้าเทศ ไปเปิดดูสิพระพรหมะดิ์เทศเรื่องนี้ไว้แล้วก๊อปมาเลยเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวผมเจอมาแล้วอยู่ในเว็บเทศนาเรื่องนี้เรื่องนี้เปลี่ยนจะชื่อผมเป็นชื่อเขาเนี่ยผมมันเอากันซึ่งหน้าเลยทุกตัวเลยนะท่านผมไปฟ้องท่านอาทิตย์ดูสินิน แต่พวกไม่ว่าอะไรยังมีปัญญาเปลี่ยนชื่อกับบุญแล้วท่านจะไปเทศเป็นภาษาอังกฤษทําไมไม่รู้จักท่องไปดัน้นภาษาอังกฤษเนี่ยสอนกรรมฐานเป็นาาภาษาอังกฤษท่องไปที่ท่านมันไม่มีประโยคแต่อย่าให้ถามมากกรรมฐานาห้าพูดห้ามถามรับตาพูดปฏิบัติเราก็สอนกรรมฐานเป็นาาภาษาอังกฤษได้แล้ว ใช่ไหมล่ะในอเมริกาคนไทยบ่นเหลือเกินแล้ว น, นี่หมดพระลังกามาก่อนอยะถาสภีพระลังกาจะให้เขาเรียกสั ม, มูส ม, มูนี่ยะถาเป็นภาษาอังกฤษพระไทยศูตรลูกเดียวทําไมไม่ยม ค, คนไทยบ่นกับผมทำไมพระไทยไม่พูดบ้างเป็นภาษาอังกฤษมันยากยุก จะไปยากอะไรก็ท่องมาที่ท่านโอ้โยมสอนผมอีกนะ <S <S บอกให้ไปบอกว่าทำกระทูดหน่อย น, นี่ผมบอกแล้วนะหาบทอะไรที่มันเป็นภาษาอังปิดแต่ละเรื่องเนะี่ยวิสาขะมาฆะอะไรภาษาอังปิดง่ายๆนะเนี่ยท่องไปท่านพูดแล้วรีบจะถาสักีกับอัดใหญ่คุยกับเราเดี๋ยวจะรู้ว่าเราได้แค่นี้แล้วต่อไปเนี่ยเราพูดไปๆเนีย่ยมันก็ผสมกันเรื่อยท่านเห็นไหม จะไปยากอะไรก่อนไปเนี่ยหาให้เจอเท่านั้นเดี๋ยใครแต่งไว้ที่ไหนใครเขียวไว้ที่ไหนซิชเชื่อไปสิเปลี่ยนชื่อให้มันถูกสถานการณ์เท่านั้นแหละใช่นี่คือบริหารปัญญาสุดท้ายครับสาริกาป้อนเยือ่อสาริกาป้อนเยือ่อเขาหมายความว่าเราเยื่อในที่นี้ก็คือให้ธรรมะ แม่นกเนี่ยเวลามันป้อนลูกนกมันจะดูปากของลูกนกเป็นเกณ็ดไอ้ตัวนี้ให้แค่นี้ไอ้ตัวนี้ให้แค่นี้เขาเรียกว่าสาริกาป้อนเยื่อเราสอนเด็กเราก็ต้องรู้ว่าจะสอนเด็กยังไงสอนผู้ใหญ่สอนอยังไงสอนดอกเตอร์สอ น, ออสอนอยังไงอันนี้เปลี่ยนเยื่อคือธรรมะให้สอดคล้องและบางทีเขาไม่ได้ต้องการธรรมะท่านเขาไม่ได้ต้องการธรรมะแต่เขาต้องการข้อมูล เราก็พร้อมที่จะให้แล้วไม่ต้องพูดอย่างเดียวหนังสือนะ่ะอยากรู้พุนศนาเบื้องต้นเขามาเนี่ยแจกไปที่โบรโชูร์อะไรก็ได้นี่ก็คือเยือ่อมาวัดมาสำนักท่านเนี่ยไม่มีอะไรติดมือไม่มีเทพไม่มีวีซีดีอะไรเลยเหรอเพราะบางทีเขาไม่มีเวลาจะฟังเยอะแยะพุนศนาในประเทศไทยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงและพุนศน์ทั้งหมดเป็นยังไงเนี่ยพระไตรปิฎกฉบับสากลเนี่ยภาษาอังกฤษ ถ้าจะไปอยู่เนี่ยต้องเอาติดมือไปทำสํำเนวแจกก็ได้หรือมาซื้อมาหาจุฬาไปก็ได้เอาราคาถูกหน่อยลดให้ออโฆษณาขายหนังสือหน่อยใช่ไหมมันจะต้องไปวางไว้อยากรู้เรื่องอะไรเหยื่อมันไม่จะเป็นต้องพูดอย่างเดียวนี่ป้อนโดยเขียนโดยอ่านเอ่อโดยเสียงและมีทุกรูปแบบและไม่ใช่เฉพาะใน นในเว็บของวัดเราด้วยคอมมินิตี้สามารถเข้ามาถึงเขียนเป็นภาษาในประเทศของเขาจะภาษาอะไรก็ตามเข้ามาให้เหมาะตรงประเด็นบ้านทีนะครับบาทหลวงก็ดีมุสลิมก็ดีอยู่วัดใกล้ๆกันเนี่ยเข้ามาในวัดเราเพื่อมาศึกษาทัศนาศึกษาเรายังไม่เคยคิดต้อนรับเลย ไม่รู้จักจเจ้าอาวาสไม่รู้จักพระในวัดให้โยมผู้ภาษาอังกฤษได้ต้อนรับเราพูดไม่ได้เราก็มาต้อนรับแสดงไมตรีมีโยมคนไทยก็ได้ช่วยเป็นล่ามก็ได้บทางลามะสายที่เบลดไปไปในอเมริกาผูดภาษาอังฤไม่ได้นะใหม่ๆเนี่ยอาศัยล่ามทั้งนั้นไปไปชุมระดับโลกเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยภาษาคาราชกัมพูชาศีล ก, การน้อยรูปนะครับที่จะพูดภาษาอังกฤษเขาจะมีคนแปลมีล่ามให้ เราไปแบบพระสงฆ์หาโยม ต, ตกปลานอกบ้านคนเก่งมาช่วยเร า, เ ป, าเป็นลาบเป็นอะไรก็ได้ใช้เขาให้เป็นประโยชน์พุทธศาสนาสายที่เบรศงสวรรค์เสร็จมากเนี่ยเพราะได้คนอเมริกันเนี่ยมาช่วยแปลคนอังกฤษมาช่วยแปลหนังสือออกไปเยอะแยะแม้แต่งานขององค์ด า, ลายลามะไม่ใช่ถ้าทําเองทั้งหมดหรอกแปลทั้งนั้นแหละเราลองคิดอย่างนี้ดู และบางเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องสอนศาสนามันเป็นเรื่องของรู้จักกันอย่างเช่นชาวพุทธสอนอะไรไปสั ม, มานาไปอภิปรายท่านก็นไปเถอะครับการไปร่วมประชุมสั ม, มานาไปอะไรต่างๆในเขตในเขตโรงเรียนที่ไหนก็ตด้ในเขตที่ท่านไปอยู่เนี่ยมันคือตบปลานออกบ้านเขาดิโมให้ท่านไปร่วมกิจกรรมไปทําอะไรไปแล้วท่านจะได้คนเข้าวัดมาช่วยงานท่านเก็บตัวอยู่แต่ในวัดไม่ออกไปไหนกลัว กลัวจะต้องพูดเป็นภาษาโน้นภาษไใหม่เหรอครับไปเถอะไปยิ้มหน่อยก็ดียิ้มสยามถ่ายรูปคู่กันได้แล้วครับ <c oughs> เ อ, อมหาจุลานี่ดังไปทั่วโลกเพราะอะไรใหม่ๆรูปยาที่สุดในโลกเ <c oughs> ห็นหยรูปหมูอะคลี่ออกไปเลยเนี่ยมหาจุลาทาเป็นแห่งแรกนะไปประเทศไหนก็เห็นแต่มหาจุลา ไ, ไปติดกรอบไว้นี <c oughs> แล้วก็มีรูปผมอยู่นีนี่ี ทำไมมันจะไม่ดังเ่าง่ายนี้เดี๋ยวรูปแผ่นเดียวแค่นั้นเองนี่ <c oughs> เอาละชั้นเพนมันพูดได้ไม่รู้จบครับก็ดีใจกับทุกรูปนะครับที่ประสบความสาเร็จวันนี้และจะได้รับประกาศทะเบัติและเสื้อทำงานต่อไปก็ขออนุโมทนาและขออำ น, นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณสความดีทั้งโวมจงม ปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านประสบความสาเร็จในหน้าที่ของพระธรรมทูตในทุกที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากทุกส่โรคภัยอุปสรรคอัน ต, ตรายทั้งพวงประสงค์ยำนงหมายสิ่งใดก็ขอให้พันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมา่ปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิน